บุ๊ก <Book> 2ูยี่สิบเก้าที่ร้านอาหารหนึ่งโ no ต๊ะนี้ว่างไหมคะ mesa está livre? ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ Gostaria de ver o cardápio, por favor. o O que é que você me recomenda? Gostaria de uma cerveja. Eu quero uma água mineral. ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ eu quero um u m s u c o de l a r a n j a อนจดิฉันขอกาแฟค่ะ eu quero u um โ café าเ่ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ eu quero c a f คารุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะคุณคารุณ r ดิฉันขอชาค่ะ e อ quero um chá ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะเอ quero u ์อุนชากับลิ o ่ดิฉันขอชาใส่นมค่ะอ quero u ์คุณมีบุหรี่ไหมคะ คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะคุณมีไฟไหมคะดิฉันขาดซ่อมค่ะดิฉันขาดมีดค่ะดิฉันขาดช้อนค่ะ Falta uma colher.